หลักโลภโกรธหลงเป็นต้นเหตุแห่งทุกต้นเหตุแห่งกิเลสทั้งสี่เข้ามากระทบจิตใจของเราอยู่เสมอบางคนอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวกิเลสดังกล่าวแม้จะไม่ได้เกิดจากตัวเราแต่มันก็อาจจะมาหาเราได้ผ่านทางพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเพื่อนฝูงคนรักหรือบุคคลอื่นๆ ตราบใดที่เราเคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์เราก็คงหนีไปไม่พ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะมีสติประครับประคองตนเองได้หรือไม่สัมผัสสยองต้นเหตุแห่งรักโลภโกรธหลงทั้งสี่ตัวนี้ เป็ น, นกลไกในการทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์หรือเกิดกรรมต่อกันแม้กระทั่งตอนตายกลายเป็นผีความมาคาดแค้นนั้นก็ยังคงอยู่เพราะความโกรธแค้นที่มีรากฝังลึกอยู่ในจิตใจเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นต้นเหตุของการจองเวรและทำให้เกิดเจ้ากรรมนายเวรตามไปในทุกชาติภพเมื่อคนเราโกรธใครสักคนหนึ่งก็ตามเรามักไม่อาจจะสลัดความโกรธออกจากจิตใจไปได้โดยง่าย เป็นเหตุให้เกิดจิตอาฆาตผูกพันกลายเป็นการจองเวรจองกรรมกันขึ้นมาแล้วก็ตามอาฆาตมาดร้ายกันไม่สิ้นสุดแต่ละระดับความโกรธที่ฝังรากลึกลงในจิตใจของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเราลองมาดูกันว่าความโกรธนั้นมีระดับใดบ้างและมันส่งผลร้ายอย่างไรคนที่โกรธเปรียบดังรอยผืนทรายริมสายน้าคนประเภทนี้ น่ายกย่องเป็นอย่างมากเพราะมีสติรู้เท่าทันความโกรธของตนเองว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีตัวตนแท้จริงเพราะรู้ทันแล้วก็สามารถปล่อยวางมันลงได้คนประเภทนี้ระดับความโกรธจะตื้นเขินมากเหมือนเอาไม้ไปขีดบนทรายที่มีสายน้ำพัดเข้าหาฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อน้ำลดลงไปรอยที่ขีดไว้มันก็หายไปด้วย คนประเภทนี้จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดไม่มีโอกาสสร้างกรรมผูกพันกับใครหรือถ้ามีโอกาสก็จะน้อยมากๆคนที่โกรธเปียบดังรอยผืนทรายในทะเลทรายคนประเภทนี้ระดับความโกรธก็จะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อโกรธใครสักคนแล้วจะพยายามใช้สติปัญญาแก้ปัญหาหาที่มาของความโกรธในที่สุด เมื่อได้พบสาเหตุของความโกรธแล้วด้วยสติปัญญาความมีเหตุผลก็จะควบคุมมารมโกรธนั้นไว้ได้เปียบดังการเอาไม้ไปขีดในกองทรายหรือในทะเลทรายที่พอลมพัดได้สักระยะหนึ่งแล้วทรายก็จะเปลี่ยนรูปร่างของรอยขีดนั้นจนไม่เหลือรูปร่างเดิมอีกต่อไปคนที่โกรธเปียบดังรอยมีดกรีดบนก้อนหินคนประเภทนี้ นับว่าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดน่าสงสารที่สุดพอเมื่อพวกเขาได้โกรธใครสักคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ยอมสลัดความโกรธนั้นออกไปจากใจแต่กลับปล่อยให้ความโกรธมันฝังตัวอยู่ในความคิดความทรงจำคิดแค้นเคืองโกรธและไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังปล่อยความโกรธแค้นนั้นกอกกลุมจิตใจไม่เสื่อมคลายซ้ายังมันเติมเชื้อไฟแห่งความโกรธแค้น โดยการเฝ้าคิดถึงมันซ้ำๆวันละหลายๆครั้งอันนี้สงแหงความอาฆาตแขนก็จะติดตัวทำให้ผิวพรรณหน้าตาดำคล้าหยาบกร้านสารรูปสามคำพูดไม่ไพเราะจิตใจแข็งกระด้างหยาบชา้าหอเหี่ยวแห้งแหลงยิ่งกว่าบัวแหลงน้ำจึงเปรียบได้กับรอยกรีดบนก้อนหินที่ยากจะลบลงได้ บางคนถึงกับเก็บเอาความโกรธแค้นนั้นตามติดตัวไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตปล่อยวางไม่ได้ไม่ปลงต้องกลับมาผูกเวรจองเวรจองกรรมกันไม่สิ้นสุดคนประเภทนี้จะสร้างเวรสร้างกรรมได้ไม่จบสิน้นกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อคนอื่นได้ไม่รู้จบจนกว่าเขาผู้นั้นจะคิดได้ให้อภัย และขออโหสิกรรมต่อกันทุกคนล้วนมีเจ้ากรรมนายเวรกันทั้งนั้นเพราะว่าคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วในกรณีของบางรายที่ไม่ยอมอโหสิกรรมผูกใจเจ็บ ก็จะได้ทั้งเวนทั้งกรรมบางทีมีโอกาสก็เล่นงานคืนบางมีอคติต่อกันบางต่างคนต่างสร้างเวนกรรมต่อกันเพราะตายไปคนหนึ่งไปเกิดใหม่เป็นคนแล้วอีกคนไม่ได้ไปเกิดเป็นคนแต่ไปอยู่ในพบของโอปปปาติกะซึ่งพบนี้จะมีการเกิดแบบผุดขึ้นไม่ต้องอาศัยบิดามารดาและโตตัวเต็มวัยในทันทีตามแต่ดีที่สร้างมา มีทั้งเทวดาพระพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายซึ่งโอปปปาติกะนั้นเป็นหนึ่งในโยนิทั้งสี่ซึ่งได้แก่ชลาพุชธะสัตว์ที่เกิดในคันอันชะสัตว์ที่เกิดในไข่และสังเศษะสัตว์ที่เกิดในใค ร, เ, เ, ใใครเมื่อคู่กรณีที่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันมานั้นยังไม่ได้เกิดเป็นคนแต่เป็นโอปปปาติกะที่มีฤทธิเดชมาก เช่นเทวดาแต่จิตใจที่ยังมีความอาฆาตแค้นต่อกันนั้นยังอยู่ไม่ให้อภัยจึงมีการตามไปแก้แค้นตามแบวคืนคนที่ไปเกิดใหม่แล้วเจ้า ก, กรรมนายเวรของเราทุกๆคนจึงมีได้ทุกภพไม่ว่าจะเป็นพมเทวดานางฟ้าสัมภเวสีอสุรกายพญานาคสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่มนุษย์ด้กันเอง แล้วแต่ภพภูมิและบ่วงกรรมที่หมุนเวียนไปยังบางคนแค่เราเจอหน้าครั้งแรกก็รู้สึกเกลียดไม่ถูกชะตาแล้วเพราะชาติในอดีตเคยอาฆาตมาตร้ายไม่ดีต่อกันมาจึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือบางคนที่เคยเกื้อกูลกันมาก่อนในอดีตชาติพอเจอกันครั้งแรกเท่านั้นก็ถูกชะตากันเป็นอย่างมากดังนั้นเวลาเราทาบุญทุกครั้ง จึงควรอุทิศกุศลให้แก่ภูเขาด้วยจะได้หัวีกรรมต่อกันชีวิตเราจะได้เบาลงไม่มีอุปสรรคใดมากั้นขวางจะกรรมนายเวรที่น่ากลัวมากๆก็คือพรมเทวดาและมนุษย์ด้วยกันเพราะเขามีฤทธิ์มีผลให้คุณและโทษเราได้ส่วนผีนั้นไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายหรือปีศาจ ร, ร้ายต่างๆทาอันตรายเราได้ยาก หากกรรมไม่ประสบชองให้เพราะกรรมของเขาหนักอยู่แล้วจึงไม่มีฤทธิเดชมากจนถึงขั้นทำร้ายเราได้ส่วนคนที่เคยทำแทงเจ้ ก, กรรมนายเวนก็คือลูกของตนนั่นแหละจิตของเขาผูกอาคาตที่ไม่ให้เขาเกิดเลยไม่ก่อติดอยู่กับแม่เป็นกึ่งผีกึง่งซ้ำพเวสีเพราะเกาะอยู่ไม่มีอะไรจะกินเขาก็อาศัยกายทิพในร่างโอปปปาติกะ ที่เกาะตามกายหยาบของเรานั่นแหละดูดกินเลือดและน้ำเหลืองในกายเราหอกินไปนานๆก็ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกร่างกายผิดปกติบางก็เคยฆ่าสัตว์จิตวิญญาณมันก็กกาะในคนที่ฆ่าสัตว์นั่นแหละก็เป็นมะเร็งจนกว่าจะรู้ตัวถึงได้ไปทําบุญนูที่ส่วนกุศลให้สัตว์ที่ฆ่าไปและเมื่อเขาอภัยให้โรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรเบียดเบียนนั้นก็จะหายเป็นปลิดทิ้งไปได้อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว See you.